อาจารย์ครับเกาลนวัตสการครับเจลลริย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดการที่119แล้วครับอาจารย์ครับว น, นี้ฟ้าอาจารย์ไปบินสบายคนเยอะไหมครับผมวันนี้ประมาณ410คนนะครัอ๋ออ้าววันนี้มากกว่าคนวันปกติหน่อยนึงไหครับร่วันนี้น้อกคนมากหน่อย อาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อน่าสนใจคนมาฟังรอฟัง600หกร้อยกว่าคนแล้วครับเรื่องพระโสดาบันครับอาจารย์ครับก็อยากจะทราบถึงความหมายคุณธรรมของพระโสดาบันแล้วเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรเป็นแล้วดีอย่างไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับคือพระโสดาบันนี้ท่านต้องละสังโยชน์สามข้อแรกให้ได้ข้อหนึ่งคือสักกายทิติความเห็นผิด เป็นชอบเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วละวิจิตกิจชาความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่เกริงหรือไม่แล้วก็ละศีลพัตรปารมาศีลพัตานี้ท่านแปลว่าการลูกคำศีลตัวยังไม่มั่นใจว่าศีลนี่รักษาเราจะได้อะไรได้หนังที่ท่านสอนหรือเปล่า คือได้ปิดประตูบานหรือเปล่านี่คือสามข้อที่พระโสดาบันจะต้องละให้ได้ณก่อนที่ท่านจะมาละด้วยปัญญาท่านต้องมีสมาธิก่อนมีมิวเบคาใจจะไม่มิวเบคาแล้วมันไม่มีกําลังที่จะมาละสัมโยชนได้อย่างพวกเราเนี่ยเราก็ไม่มีกําลัง อันนี้เรารู้หลับสังโยนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราไปเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเราล่ะมันได้ไหมปล่อยให้มันไปดูมันเหมือนก็ไม่ใช่ตัวเราของเราได้เปล่ามันจะเป็นจะตายจะเจ็บจะป่วยก็ไม่ทุกข์ไมเดือดร้อนกับมันหรือเปล่าเราละไม่ได้เพราะว่าใจเราไม่มีอุบเบกขาที่จะหยุด สังโยชน์คือตัวที่ไปยึดติดอุปทานที่ไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานั้นเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาถึงกระดับปัญญาคือวิปัสสนาได้เราต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนสมถะ ค, คือเราต้องสามารถเจริญสติจนสามารถทําใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือฌานรูปฌานขั้นที่สี่ได้ มก็ที่ใจจะได้นิ่งสงบจะได้มีอุเบกขาถ้าเราได้รูปฌานขั้นที่สี่แล้วเื้อมต้นเราก็ต้องทําบ่อยๆทําให้มันชานาญทําให้มันมีกําลังมากขึ้นไ ม, ไม่ใช่พอได้ปุ๊บ ก, ก็จะมาเลยมันยังอาจจะไม่มีกําลังพอก็ mm hmm. so, นี่คือสิ่งที่ต้องทําก่อนและการที่จะฝึกสมาธิได้ผลอย่างนี้ส่วนใหญ่ต้องไปเป็นนัก บ, บวชก่อน ต้อปฏิบัติกันแบบทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับเจริญสติคอยควบคุมความคิดแลเราถือศีล น, นักบวชถ้าไม่บวชก็ต้องไปถือศีล น, นักบวชอย่างคุณหมอไปอยู่เป็นชั่วครั้งช่วคราวก็ไปถือศีลแปดรับก็จะได้มีเวลามาภาวนาะถ้าเรายังถือศีลหน้าอยู่เรายังไปดูหนังฟังเพลงหน้าอยู่ยังไปร่วมหับนอนกับแฟนได้อยู่ เราก็จะถูกกิเลนดึงไปทํานั้นก็จะทําให้เราไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่อยากจะได้รุ่ประชานสีอัปปนาสมาธินี้ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลไม่มีภา ร, รกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการดูแลร่างกายเท่านั้นนอกนั้นก็เอาเวลามากับการฝึกสตินั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิ จนกว่าเราจะสามารถเข้าฌานได้แล้วก็พอเข้าได้ก็พยายามปฏิบัติให้มันจานานให้มันเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการได้อยู่ได้นานๆพอเราได้ฌานแล้วทีนี้ได้โมเบขาแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็เริ่มมาพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นตัวเราหรือไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นตัวเราตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ ตอนที่มันมาจากพ่อจากแม่มันเราอยู่ตรงไหนในเวลาที่พ่อเขาผสมเอาเอาเชื้อของพ่อมาผสมกับแม่นี่เราอยู่ตรงไหนมันไม่เราไม่ได้อยู่ในตัวพ่อเราไม่ได้อยู่ในตัวแม่แต่พอมาเอาเชื้อของพ่อของแม่มารวมกันกข้าร่าก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาสร้างร่างกายขึ้นมา การที่จะปฏิสนธิได้นี่ตามหลักศาสนาท่านก็นสแสดงไหมว่าต้องมีมีใจคือดวงวิญญาณที่ที่อยู่ในฐานะที่จะมารับร่างกายของมนุษย์ได้มาเป็นผู้ร่วมร่วมสังกรรมคือร่วมการรวดตัวของเชื้อของพ่อของแม่แล้วก็ต้องมีใจมาเป็นผู้ครอบครองใจต้องส่งกระแสวิญญาณมายึดม เราเชื่อมกับน่างกายนี้พอมีการครบองค์ประกอบร่างกายก็จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาโดยอาศัยอาหารที่แม่ส่งมาทางสายสะ ด, ดือดอเลี้ยงคือธาตุสีนะ่ธาตุสี่ที่มาสร้างร่างกายนีธาตุดินน้ำลมไฟนังจะว่าตัวเรามีอยู่ก็มีอยู่ตอนนี้ ตอนนี้ตอนที่เราดวงวิญญาณเราเป็นดวงวิญญาณเรามาเชื่อมต่อกับร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายนะเราไม่ได้อยู่ในร่างกายค้นหาในร่างกายนี้ค้นไปจนวันตายก็ไม่เจอตัววิญญาณตัวผู้รู้ผู้คิดแต่ทางวิทยาศาสตร์อาจจะคิดว่าสมองนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดก็ได้แต่ทางศาสนานี้เรามองว่ามันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอโอกาสหน้าเวลาที่วิทยาศาสตร์จเจริญพอที่จ ะ, ะเปลี่ยนสมองได้เอาสมองคุณหมอมาใส่หน้ากายแล้วแล้วดูว่าใครจะเป็นคนคิดคุณหมอเป็นคนคิดเรื่องเราเป็นคนคิดอะไนั่นอาจจะต้องรอถึงเวลานั้นถึงจะรู้ว่าใครเป็นผู้คิดกันนะสมองเป็นผู้คิดหรือว่าเป็นสมองเป็นเพลงแต่ผู้รับใช้ใจอีกทีนึง สมองเป็นผู้รับใช้ใจสมองเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวการกระทำงานต่างๆของทางร่างกายอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเพื่อได้ได้เห็นภาพว่าเราคือดวงวิญญาณมายึด ม, มาติดแล้วพอมีร่างกายพอคลอดออกมาดวงวิ ญ, ญญาณนี้เราก็เรียกว่าใจจิตใจผู้รู้ผู้คิดและจิตใจนี่แหละเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําไปต่างๆ ใจเป็นนายใจเป็นบ่าวแต่เราต้องพิจารณานี้ให้แยกแยกใจออกจากร่างกายให้ได้ให้รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันนี่ใจเป็นผู้หลงไม่มีปัญญามีอวิชามะข้อความอจิตใจพอได้ร่างกายพอข้อออกมาเห็นเห็นเห็นร่างกายก็คิดว่าเป็นเป็นตัวตัวด้วยเองเพราะตัวใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาตัวใจนี้มันเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนมีแต่ เป็นธรรมชาติที่คิดที่รู้ที่คิดที่มีความรู้สึกมีการรับรู้รูปเสียงกดลดิ่นรสที่มาสัมผัสทางต า, ตาหูจมูกนิ้วขานแต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างพอมามาพอมันมพอร่างกายคอดออกมาพอเล็มตาใจก็รับรูปเสียงกดลิ่นรสมาจากร่างกายก็เห็นร่างกายก็เลยเหมาว่าร่างกายนี้เป็นใจเป็นเราเป็นเราทุกคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันหมดพ่อแม่ก็คิด ก็เเป็นจุดที่ร่างกายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใจเป็นร่างกายกายเป็นใจร่างกายกายเป็นใจใจเป็นร่างกายก็เลยนี่แคือที่มาของสกยายทิฐิความหลงใจไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเป็นใจแล้วก็ยึดติดแล้วก็เป็นสุขทุกข์ไปกับความเป็นความตายของของร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรก็ทุกข์ไปกับความเป็นของร่างกายร่างกายไม่สบายก็ทุกข์กับร่างกายร่างกายสุขก็สุขไปกับร่างกายอันนี้เป็นความหลงที่เราจะต้องมาแยกแยะให้ได้อันนี้แยกแยะด้วยการใช้ปัญญาและวิธีแยกแยกวิธีหนึ่งก็คือต้องใช้สมาธิต้องเข้าฌานจนตรวมแล้วจิตนะกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันชั่วคราว เวลาจิตก็สู่สมาธิสู่ระชฌานสีนี่ร่างกายก็จะหายไปจากความรับรู้ของใจอันนี้ต้องมีสองส่วนด้วยกันถึงจะเห็นภาพชัดเจนว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนทีนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ดู ว, ว่าเห็นจริงหรือเปล่าและเห็นเป็นเพียงทฤษฎีก็ต้องไปทดสอบดู ว, ว่าถ้าเกิดเวลามีอะไรเป็นไปกับร่างกายนี่ใจเฉยได้ป่าปล่อยวางได้เปล่า เมืนกับเราเฉยกับร่างกายของคนอื่นได้นั่นหมาย่างกายคนเืินเขาเป็นเขาตายยังไงเราก็เฉยได้นี่เราก็ต้องมีวิสุว่าถ้าถ้าร่างกายเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรามันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเอเนถ้าเราเฉยกับร่างกายของคนอื่นได้เราก็ต้องเฉยกับร่างกายของเราได้เราก็ต้องไปหาที่ทดสอบว่าเราจะเฉยกับร่างกายได้เมื่อเวลามีภัยมาคุกคามร่างกาย จะมีสิ่งสารสัร์อะไรที่อาจจะทําให้ใจนี้ต้องเกับถึงแก่ความตายเราก็ไปหาที่แถวนั้นที่ที่มันน่ากลัวอยู่ดูแล้วดูซิว่าใจเราเฉยๆเรื่องใจเรายังกลัวอยู่แล้วกลัวแสดงว่าเรายังยึดติดอยู่กับร่างกายยังไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันต้องยังไงก็มันก็ต้องตายอยู่ดีมันไม่ใช่ตัวเราเราห้ามมันไม่ได้ ในเวลาร่างกายนี้จะตายมันก็ต้องตายจะจะไม่อยากตายมันก็ไม่ได้ไปหยุดความตายได้ถ้าเราไม่ไม่อยากตายมันก็ทําให้เราทุกข์ไปเปล่อๆเมื่อถึงเวลามันจะตายมันก็ตายอยู่ดีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ปล่อยให้ยอมยอมให้มันตายมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความกลัวตายขึ้นมามันถึงจะ พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถระงับความกลัวตายได้หรือไม่การระับความกลัวตายน้นก็ต้องยอมรับว่าน่างกายไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันจะต้องตายเะห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาอันนี้มันจะเห็นจะพิสูจน์ได้พอมันคิดว่ามีภัยเข้ามาจะทําร้ายหน้ากายให้ถึงแก่ความตายแล้วใจพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นตายรักอนิจจ์อนัตตา ที่ทุกข์ก็เพราะมันไปอยากให้มันไม่ตายถ้ายอมให้มันตายะตายก็ตายห้ามมันไม่ได้พอปล่อยไนดะ้ยอมตายไนดะ้ความทุกข์ใจก็จะหายไปเพราะความอยากที่อยากไม่ตายมันถุกระ ง, งับไปยอมตายมันไปเพราะยอมตายมันก็ร ง, งับความอยากไม่ตายไปมันก็เลยใจเลยก็สมงบ ร่างกายาจจะตายเลยก็ได้อาจจะไม่ตายก็ได้แล้วอันนั้นไม่สําคัญแนะล้วสำลรับใจที่สงบพอใจสงบแล้วหลังจากนั้นร่างกายจะตายแล้วไม่ตายก็ไม่เดือดร้อนเนะพราะรู้จักวิธีทําใจให้ใจไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเช่นในว่าความเจ็บก็ตอนเวลเจ็บไข้น่าปวดเวลาม่ทุกข์ก็มมิธนาก็เหมือนกันทุกข์ก็มมิธนาก็เป็นของที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ของมันแล้วก็ดับไป เวลามันมาเราก็ห้ามันไม่ได้เวลามันมามันเกิดอย่างให้มันดับมันมัมันก็ไม่ดับเอพอเราไปอยากให้มันดับไม่ดับเราก็เลยทุกข์ทรมานใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจเราก็ต้องยอมรับความความเจ็บทุกขเวทนามันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมมันเข้าไปได้มันเจ็บก็ต้องเจ็บยอมเจ็บพอยอมเจ็บความทุกข์ที่เกิดจาก ควากัวความเจ็บก็จะหายไปต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายต่อไปในการพิจารณานี้เราก็จะเห็นอริยสัจสีเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราประยาดให้มันเที่ยงเองเราประยาดให้มันไม่ตายอยากให้มันไม่เจ็บมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามัน มันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมไม่ได้เป็นสัมไม่ได้จะห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้จะห้ามมันไม่ให้เจ็บไม่ได้พอเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็หยุดหยุดความอยากไม่เจ็บอยากหยกุดความอยากไม่ตายคว า, ความทุกข์ความความทุกข์ก็จะหายไปความกลัวเจ็บความกลัวตายก็จะหายไปเราก็เห็นอริยสัจสี่เห็นการทำงานของทุกสมุทัยนิโรธมา ทุกข์กิจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนิโรธคือการดับทุกข์กิดจากการที่มีปัญญาเห็นเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ได้เราก็ปล่อยปล่อยให้มันแก่ปลให้มันเจ็บไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บไปใจก็หายทุกข์นิโรธก็เกิดขึ้นมา ตอนนี้ก็คือการเห็นอนิจจสัต์สิงในในสภาพของเหตุการณ์จริงไม่ใช่ในทฤษฎีตอนนี้ตานที่เราคุยกันนี่เป็นทฤษฎีเราต้องไปเจอของจริงเจอความเจ็บเจอความตายแล้วก็ใช้ใช้วิธีการที่พูดนี้ดูซิว่าเราจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายได้ไหรือไม่ถ้าใจยอมรับเพราะใจไม่อยากจะทุกข์ ใจก็ต้องยอมแล้วใจก็จะหยุดค้างอยากไม่เจ็บอยากไม่อยากไม่ตายใจก็จะหายทุกข์อันนี้ก็จะมีโวงตาเห็นธรรมเห็นอ ร, ริยสัจสี่พระพุทเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพอเราเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เราก็ไม่สงสัยคนที่สอนอริยสัจ ส, สีว่ามีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ตัดสัตวอริยสัจ ส, สี่ แล้วอันนี้สัจสี่นี้าสอนวกเราวิกทีหนึ่งพรากเราก็จะเห็นกันอย่างชัดเจนในจากการปฏิบัติในเหตุการณ์จริงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมบุญนั้นเห็นเราผู้เห็นผู้เห็นเราก็คือผู้ผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือสุ ป, ปฏิพันโนภาอริยสงสารก็เราเนี่แหละผู้ที่กําลังปฏิบัติอยู่นี้ มันก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมตัวกันในใจของเราปรากฏขึ้นมาในใจของเราพร้อมๆกันมีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งพระธรรมมีทั้งพระสงฆ์อันนี้พุทธธรรมพุทธธรรมสังขาที่แท้จริงอยู่ในใจของเราพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงหรือไม่ไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องไปดูสังคมที่ปัจสุบันชโลมแสดงธรรมระลิมิภาน หลวงปู่มั่งไม่ได้ไปอินเดียหลวงตามหาบัวไม่ได้ไปอินเดียหลวงปู่แหวหนหลวงปู่ขาวท่านไม่ไปอินเดียท่านไม่สงสัยท่านเห็นท่าเห็นในใจของท่านตอนที่ท่านละสกายยะทิฏฐินะท่านเห็นอริยสัจสี่ก็เลยทําให้ท่านเห็นว่าตัวที่ทําให้จ่ายทุกก็คือกิเลสตัณหาความอยาก อีกตัวหนึงที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือเมื่อเราทำบาปนี้ใจจะทุกข์จะร้อนขึ้นมาก็ไม่สงสัยเรื่องกดแห่งกังว่าทำบาปแล้วใจจะเป็นนรกขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ก็คือนรกเวลาไม่ทําบาปใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาใจก็เย็นใจก็สบายก็เลยไม่สงสัยในเรื่องสี่งในเรื่องสี่ว่าทําไมต้องรักษาหรือไม่รักษาทําไมต้องละ ก, การกระทำบาป ก็ไม่สงสัยราศีราพัตรปรมานะเวลาเกิดความทุกข์ใจก็ไม่ต้องไปทําพิธีสระข้ออะไรตนะมามามาสระข้อที่ใจเนี่ยสระไอสองตัวเนี้ยตัวที่ทําบาปแล้วก็ตัวที่ตัวความอยากนี่ยที่ทําให้ใจเราทุกข์กันเวลาเศรษฐกิจกไม่ดีกิจธุรกิจไม่ดีก็ทุกข์กันใช่ไหมกพัวจะล้มละลาเว่าอะไรเพราะความอยากอยากไม่ ล, ะละ้มอะไร อยากให้บริษัทกำลังก้าวหน้าอย่างเดียวแต่พอไปเจอเศรษฐกิจที่มันทำให้ธุรกิจมันอมันมันซบเซามันเริ่มถอดถอยก็กลัวก็เ ก, กิดความทุกข์ใจขึ้นมก็อยากจะหาวิธีระบายความทุกข์ใจก็ไปหาหมอดูบ้างไปหาให้ปรึกษาบ้างไปทำฮวงจุ้ยบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะแนะนํามำทําว่าเราสบายใจวาเออเราได้ทำแนละ้วเศรษฐกิจต้องดีแล้วเราจะไม่นมละลายแนละ แต่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวทำไปมันก็ ม, นกมันก็ไม่ได้เศรษฐกิจมันก็ทาใหา้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมันก็าจจะทำให้เราขาดทุนได้นั้นที่สุดก็อาจจะล้มละลายอยู่ดีคนที่เป็นบ้าโสดาวเราจึงไม่ต้องไปหาหมอดูไปปรึกษาหมอดูไปหาดูวงจุ้ยดูอะไรต่างๆนี้เวลาไม่สบายใจก็คนมาดูที่ใจว่ากำลังอยากคำเรื่องอะไร อยากกำลังกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจกลัวจะตายก็พิจารณาว่าร่างกายมันต้องตายมันต้องเจ็บแต่ใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแล้ร่างกายไปกลัวทำไมเพราะนสดามันก็จะไม่กลัวอยูแล้วอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังก็จะละสักกายติทิฏฐิได้ละ วิจิตรฉาความสงสัยในพระพุะทธธรรมผส์ได้ลาศิลาปตัตตาปาระมาความลูกความลูกลูกคําในศีลและการไปหาทำพิธีกรรมต่ตางๆเพื่อบำบัดความไม่สบายใจของเราความทุกข์ใจของเราต้องมาบำบัดที่ตัวกิเลสของเรา ต, ตัวความอยากของเราการกระทําบาปเวลาทําบาปแล้วใจเราทุกข์ไหม ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตอบไปก็อย่าไปทำบาป น, นี่คือคนสมบัติพระโสดาบันก็จะรักษาศีล ไ, ไปยิ่งกว่ารักษาชีวิตอย่าที่พระเจ้าบอกให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาทรรทําก็กูใจนะครับอาจครับแล้วพระโสดาบันยังกลัวคนอื่นตายไหมครับอาจารย์ครับ ไม่กลัวแล้ร่างกายของท่านไม่ท่านไม่คัวร่างกายของท่านตายใช่ไม่คัวร่างกายคนอื่นตายทำไครับท่านด้ต้องตายหมดทุกคนเท่ากันแต่ท่านยังท่านยังยังร่างร่างกายของคนอื่นไนดะ้ยังอยากจะใช้ร่างกายคนอื่นเป็นเป็นเครื่องมือหาความสุขเช่นการร่วมเพศกั น, นท่านยังท่านอยากยังอยากจะร่วมเพศกับผู้อื่นอยู่ก็ต้องใช้เพรตอนนั้นท่านยังไม่ได้เจริญวิปัสสนา ขันอสุภะอันนั้นเป็นขั้นต่อไปนะเป็นข้อสอบต่อไปหลังจากได้ลสามโยต์สามข้อแรกแล้วก็ต้องมาทําข้อสอบอีกสองข้อที่มาเป็นคู่มาคู่กันคือการมาราคากับปฏิคากการมาราคะก็คือความอยากร่วมเพศปฏิคาก็คือควา ม, มหมงุเหงยดคนเราเวลามีความอยากร่วมเพศถ้าไม่ได้ร่วมเพศเป็นหงุเหงิดใช่ไหม และวิธีแก้วควา ม, มญหงุดหงิดก็คือไปร่วมเพศมันก็ดมันก็หายญหงุดหงิดชั่วคราวแต่เดี๋ยวสักคั้งหนึ่งความอยากร่วมเพศมันก็กลับมาอีกมันก็จะไ ม, ม่มันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้อย่างอย่างเา้าวอยวิธีที่จะแก้อย่างถาว อ, อยละการการมาราคาก็ต้องมองร่างกายให้เมันไม่สวยงามเพราะเวลาเราเกิดการมาราคานี้เพราะเราไปเห็นร่างกายที่สวยงาม เห็นร่างกที่สวยงามรอเราเราก็อยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยากจะอยู่กับเขาใกล้ชิดกับเขาแล้วความสุขจากเขาแต่ถ้าเรามองเห็นโครงกระดูกของเขาเห็นตับไตไส้กรูของเขาเนี่ยเราก็อาจจะพังละถอยออกมาก็ได้เอ๊ะเรากำลังจะไปร่วมเพศกับใครเนี่ย <laughs> ทั้งร่างกายเราก็เหมือนของเขาร่างกายของเราก็มีโครงกระดูกมีตับไตไส้กรูเหมือนกัน แล้วหลงแล้วก็เป็นพวกโครงกระดูกมาร่วมเพศกับโครงกระดูกนี่แทนอย่างนี้นะมันก็จะละอับระับ ก, การมาราคาได้อันนี้ถาละละสองข้อนี้นะละการมาราคาได้มันก็ความโมจิทเขาจะไม่มีต่อไปความงโมจิมันเกิดจากเวลาที่เราอยากจะเสพกามแล้วไม่ได้เสพล้วก็จะละเรื่องเรื่องของร่านกายได้หมดทันี้ไม่ไม่เปความ เกี่ยวข้องกับร่างกายนะไม่สนใจว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เดกต่อไปพระอนาคามีพรสกิราคานี้เป็นขั้นขั้นขั้นระหว่างอนาคากับโสดาบันคือละการมาราคะได้ัทําให้เมามานลงแต่ยังไม่หมดไปก็าการใจนะสุภาพยังไม่ต่อเนื่อยังไม่ตลอดเวลา ยัไม่เห็นมสุ่เทาตลอดเนรับพะจารครับทีนี้พอเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะจะไม่กลับมาไม่เกิดเกินเจดชาติแล้วก็จะไม่ลงอาบายอีกแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะท่านไม่ทําบาปท่านยอมตายท่านยอมเสียชีวิตถ้าถ้าต้องถ้าต้องป้องกันตัวท่านเองเพื่อให้ท่านอยู่แลรักษาชีวิตของท่านท่านจะใช้ตามกฎที่พระเจ้าทรงบอกให้สละทรัพย์สละอวัยวะ สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็เสียธรรมนีเพราะวั mm hmm. นใดไม่กุ้มเสียได้นั่งกายได้ทรัพย์สมบัติแต่อย่างไรก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วแล้วถ้านอยู่ท่านถ้าเราอยู่เพราะเราไปฆ่าคนอื่นเวลาตายไปเราก็ต้องไปอบายแต่ถ้าเราเราทำตายเราโดยที่ไม่ไปฆ่าคนอื่นไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปอบาย อาจารย์ครับแล้วอย่างกรรมที่เคยทํามาที่เป็นที่มีความที่เป็นแบบกรรมเก่าแต่พอชาตินี้มาเป็นพระโสดาบันก็ต้องเจออยู่เป็นโสนาแล้วเป็นพระาหารก็ยังต้องเจออยู่เพราะพระเจ้ายัางต้องเกียวเทวทรรมอยู่ <c oughs> ก็ยังต้องใช้จะไม่เจอก็ต่อเมื่อไ ม, ไม่กลับมาเกิดเท่านั้นนถ้ายังเป็นมนุษยอยู่ก็ยังต้องมาเจออยู่ถ้าไปเกิดเป็นพระเป็นในเป็นพระพริมนี้ก็ไม่ต้องมาเจอ ถ้าเป็นผ้านาคาีแล้านี่นก็จะไม่ต้องกลับมาใช้กรัมที่เคยได้ได้ทำเอาไว้แล้วแต่เจอกรรมยังไงก็ไม่ได้ลงอบายแล้วใช่ไหยครับอาจารย์ก็คือเจ อ, ต, ต, อตอนเป็นมืนมอก็ยอมตายอย่างพระโมคคลานะก็ไม่ใช้วิธีต่อสู้กับทำร้ายคู่ต่อสู้ด้วยด้วยด้วยทิยยยยฏิิปธิหารของท่านท่านก็บอกว่าค้าเขาหนี้ก็วันนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็ตามมาม นันก็อยอมให้นก็ฆ่าจะได้จบหมดเมลหมดกลงไปท่านก็มองว่าร่างกายมันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องตายแค่นนั้นเองใครจมันจะตายอย่างไงมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ใจท่านด้ยวยท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายก็ปล่อยมันตายไปพระอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เ อ, อที่บอกว่าเถิดได้อีกเจ็ดชาตินะครับแล้วคนที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นพระโสดาบันเลยก็มีอยู่ใช่ไหมครับ ก็มีเพราะว่าพอเป็นสัตว์โสดวานน่าอาจจะไปติดเชื้อโควิด้าตายไปได้วครับนอกจากว่าท่านสามารถเจริญปัญญาลนาสังโยชน์ได้ทั้งสิบตัวในก่อนตายได้หลวงพ่อของพระเจ้าเนี่ยลสังโยชน์ได้สิบตัวในช่วงที่ประชวรนะแต่มีพระเจ้าไปคอยสอนก็สามารถล่าสังโยชน์ทั้งสิบได้ก็มบรรลุเป็นพระเจ็ดวันก่อนตายได้ อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแต่ถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่สามารถจเจริญรัสังโยชน์ที่เหลืออยู่ได้ก็ต้องกลับมาเกิดเพื่อที่จะมาทําเพราะยังมีความอยากอยากเกษมกลางอ ย, อ ย, อ ย, ย, อยู่ถ้ายังละ ก, การมารักษาไม่ได้ก็ยังต้อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้มีร่างกายของมนุษย์เพื่อที่จะได้ไปเสพกลางไปร่วมหลับนอนกับคนที่เรารักเราชอบ ีได้ถามหลายทอย่างเกี่ยวกับที่อยากรู้เลยครับอาจารย์ถ้าเราถมีอะไรถามได้ท่านใดอย่างไม่ไม่ไม่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวอาจารมีท่านผู้มฟังทุกผู้ชมอยากจะถามต่อก็ได้ครับพอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดมาพร้อมกับความเป็นพระโสดาบันนี้คนนั้นก็จะไม่ทําบาปเลยแต่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยอพระโสดาบันใช่ไหมใช่คำโสดาบันเขาจะไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขาเขาไม่กลัวตายเขาไม่กลัวเจ็บแล้วเขาก็รู้ว่าระยาสั้นสี เรู้ว่าเวลาที่เขาทําอะไรแล้วทําให้เขาทุกข์นี่อะไรเป็นต้นเหตุให้เขาทุกข์เขาก็จะรู้ว่าเวลาเขาอยากอะไรแล้วเขาไม่ได้ใงใจเขาก็จะรู้ว่าเขาทุกข์หรือเวลาเขาทาบาปแล้วก็ไม่สบายใจเขาก็จะไม่ทําบาปอืมครับเดี๋ยวขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์ครับคําถาม คำถามนี้ถามมาก่อนพระอาจารย์จะอธิบายครับเขาบอกว่าโสดาบันตัดกิเลสได้หมดแล้วใช่ไหมคะและหากบรรลุโสดาบันจะไม่มาเกิดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ถามมาก่อนครับนนามมาครคับไม่ใช่เหรอยังยัดตัดได้แค่สามตัวยังเหลืออีกเจ็ดตัวที่ยังไม่ได้ตัดสัญญาเป็นสิบได้ไหมโสดาบันตัดได้สามตัวแรกคุณวิทวัตครับบอกว่าคนที่บรรลุโสดาบันรู้สึกยังไงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ ก็สบายใจขึ้นเยอะไม่ต้องกลัวความเจ็บไม่ต้องกลัวความตายไม่กลัวโลกภายค่้เจ็บพี่สมพรบอกว่าอยากจะเป็นพระโสดาบันต้องปฏิบัติธรรมกันอย่างไรในเพศขาลาาชครับอาจารย์ก็อย่างได้อธิบายตอนต้นแล้วว่าก็ต้องไปฝึกเป็นนักบวชชั่วคราวก่อนไปอยู่วัดไปปฏิบัติวัดปฏิบัติในป่านในเขาถือศีลแปด แล้วก็เดินจนผมนั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยให้ได้สมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วก็มาศึกษาเรื่องร่างกายว่ามันเป็นอะไรเป็นดินน้ำมันไฟใช่ไหมมีอาการ32ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ตัวตนมาจากจากที่มายึดมาติดกับร่างกายนี้มาจากความหลงของใจที่ไปคิดว่าใจเป็นร่างกายเพราะใจตัวเองไม่มีรูปร่างหน้าตา พอได้ง่างกายมาก็เลยไปหลงชื่อว่าเป็นตัวตอนเองขึ้นมามีคำถามคล้ายๆกันมาเรื่อยๆครับอาจารย์แต่อาจารย์ได้ อ, าาอธิบายไปแล้วนะครับที่สมพรถามบอกว่าเพศคารวาสควรบรรลุทำขั้นพื้นฐานขั้นไหนดีครับได้ทุกขั้นอยู่ที่กำลังของการปฏิบัติของเราว่าล้วเราถึงขั้นไหนแล รักษาศีลได้เราเข้าสมาธิได้ก็มีรูปฌปานได้เราศึกษาเราพิจารณาทางปัญญาละสังโยช น, น์ได้เราก็บรรุได้ตามขั้นที่เราลนได้คุณทิติมาบอกว่าการถือศีลและหมั่นเจริญภาวนาเป็นหนทางไปสู่การบรรลุพระโสดาบันได้ไหมคะหรือเราต้องเพิ่มการปฏิบัติอะไรอีกไหมคะ ใช่ใ น, นการภาวนาหรืการถือศีเนี่ยถือศีแปดขึ้นไปแต่ต้องปฏิบัติให้มากเท่านั้นเองคือต้องไม่ทํางานแล้วต้องลาออกจากงานไม่มีงานแล้วต้องทำนอกจากการการภาวนาอย่างเดียวคุณมณีนุชบอกว่าผู้ที่บรรลุสดาบันจะทราบตัวเองหรือเปล่าว่าตนบรรลุแล้วครับมันจะไม่มีป้ายมันลุสดาบันผล่ขึ้นมาในใจหรอก แต่มันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ทุกกับความเป็นความตายของร่างกายมันไม่ทุกกับความเจ็บไข้ความเจ็บปวดของร่างกายแล้วมันก็จะไม่กล้าทําบาปไม่อยากจะทําบาปเพราะเวลาทําบาปแล้วมันจะไม่สบายใจแล้วมันก็จะ ม, มันก็จะรู้อริย ส, สัจสีวา่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของตเน Las ตเองเกิดจากการทําบาปของตเนตเองกลายเป็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็หยุดความอยากก็หยืดการกระทํ า, าทบาป ความทุกใจนั้นก็จะหายไปอันนี้อย่าลืมอยู่ภายในใจคุณอัญชลีครับกลับสอบถามพระอาจารย์วันนี้ดิฉันได้ทําความสะอาดพระพุทธรูปองค์กลางๆไม่ใหญ่มากที่บ้านเนื่องจากฝุ่นเกาะพอดิฉันทาความสะอาดเสร็จกําลังอุ้มพระพุทธรูปเสียนพระพุทธรูปหักดิฉันตกใจและกังวลตอนนี้เอากาวตาช้างมาทาต่อศีรษะและว้วไหว้พระขอขมา ถามดิฉันควรทําอย่างไรดีคะมีคนเขียนว่าพระเศียรหักเก็บไว้ที่บ้านไม่ดีต้องไปให้วัดเรื่องจริงหรือเปล่าครับไมงจริงหรอกมเก็บไว้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันเป็นความเชื่อนั่นเองอมุทโลุ ก, ก็เป็นเป็นวัตถุอย่าง น, นึงนั่นเองที่อยู่ภายใต้กฎของตายรัฐเป็นของที่ไม่เที่ยงมีวันหนึง่งมันก็จะต้องพังทลายไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวเราความ ความดีความเชื่ออยู่ที่กรรมของเราเนี่ยพระโสดาบาันจะไม่เชื่อเรื่องเราแบเนี้ครับหายมูไปหมดเลยใช่ไหมครับรอาจารย์มีคุณสเปซนิวบอกว่าทราบไหมคะว่าพระอาจารย์สอนปฏิบัติธรรมที่วัดด้วยตัวเองไหมอยากไปเป็นลูกศิษย์ครับก็ส <c oughs> อนทุกวันเสาร์ที่เมืองพระเนี่ยทุกอย่างสองโมงนางทำอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเข้ามาอยู่ในเพจมั้งเนี่ย วันนี้จะแสดงตอนบ่ายสองโมงทุกวันเนี่ยวันที่เป็นวันอยู่ราชการกวันเสาร์อาทิตย์และก็เป็นวันพระก็จะมีการแสดงทำคุณอัชราครับเรียนถามพระอาจารย์ต่อจากช่วงกลางวันเจ้าค่ะคือลูกซื้อบ้านต่อจากคนอื่นแล้วเจ้าของเดิมตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ไว้เจ้าที่ไว้ถ้าลูกซื้อศาลออกไปจะบาปหรือไม่ครับมีคนบอกว่าเหมือนเราไปทำลายบ้านพวกเขาครับ ไม่บบเราเราก็มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นองใครจะไปอยู่ในบ้านแล้งนั่นอย่างนั้นได้ตามความจริงใช่หไหมเดี๋ววิญญาณเขาก็ไม่เขาก็ไม่ต้องมีบ้านอยู่เขาก็อยู่ของเขาก็อยู่ในกาอยู่ในโลกทิดนั่นนี่เป็นความเชื่อของคนก่อนที่เขามาสร้างบ้านนี้ไว้เท่านี้จะรื้อจะไม่รื้อก็ทําได้แต่เพื่อความสมายใจก็เราจุดทูปสามธูปสามดอกแล้วก็ขออภยัยเจ้าที่จะทางก่อนว่ามีความจำเป็นจะต้อง หรือไปถอดถอนออกไปในบุว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเราประกันไม่มีแต่อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราอาจจะไปคิดว่ามันเงื่อนเงื่อนที่มันเกี่ยวข้องกันก็ไนด้แต่ไม่เกี่ยวกนะันสมัยก่อนก็มีเจ้าที่อยู่ผมก็เป็นคนยกไปเกตเองครับอาจารย์อมันเป็นเรื่องของความเชื่อความจริงมันไม่มีห คุณวันเพนครับผู้ที่บรรลุพระโสดาบาันรักษะละสักยัติทิฐิสามข้อได้แล้วกิเลสเบาบางลงได้ลักกรรมมาคุณห้าแล้วหรือยังพอใจในรูปลถกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่เจ้าคะยังไม่ได้ลักกรรมมาคุณห้าครับคุณวิไลครับบอกว่าฝากถามคนดีหรือคนคนเลวมีกรรมเป็นที่กำหนดใช่ไหมคะก็ะคือการทาดีและทำเชื่อีง ทำดีก็เป็นคนดีทำเชื่อก็เป็นคนเลวแต่ทาโลกเขาไม่เขาไม่ได้กำหนดแบบนี้ทางโลกถึงแม้ว่าจะทำเชื่อแต่ถ้ารวยก็ยังถือว่าเป็นคนดีอยู่ยังมีคนต่องย่อมสารเสรพอยู่เพราะจ่าได้เปได้นอันนั้นเขาใช้เงินเป็นเครื่องวัดความดีความเชื่อกันในโลกของของของปัจจุบันนี้คนนึ่งว่าหาเงินห า, ห า, หาทองกัน แต่นี้หาความดีกันเพราทำความดีทำความเชื่อแต่มีเงินมีทองก็มีคนยกย่องเนี่ยมีความมีค น, คนแสดงความเคารพคุณวีนามบอกว่าการที่คนเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต้องผ่านการเป็นพระโสดาบันก่อนใช่ไหมครใช่มันเป็นขั้นของ ม, มันมันอยู่สขั้นไปเป็นโสดาบันแล้วก็ไปเป็นสักิรีดาคามีแล้วก็ไปเป็นอนาคามี แล้วก็ไปเป็นผ้าอะไรแต่ยังไม่กลับมา ก, ก่อนอีกต่อไปคุณทิติมาบอกว่าในชีวิตประจำวันหนูยังต้องทำงานประสบพบเจอกับบุคคลที่เต็มไปด้วยตันหาความทะยานอยากทั้งในราบยศสรรเสริญห น, หนูควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือมีข้อทําใดที่จะอยู่ร่วมกับเขาเพราะหนูรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่มักโดนถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับเราก็อย่าไปสนใจเล ย, ยก็เป็นเรื่องตัวขายตัวมัน เขาชอบอะไรก็ปล่อยเขาชอบไปเราไม่ชอบเราก็บอกว่าเราไม่ชอบเราไม่แค่นั้นัป็นเรื่องสึกอุดารอะไรเราก็พูดไปตามความเป็จริงของเราเหมือนเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บอกว่าเราไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวฮะไมีชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็กินไปเลยไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อยทำไมต้องไปรู้สึกอุดอารอะไรกับเขา กุลิโอบอกว่าการลังเลสงสัยในพระราตนตรัยนั้นมีลักษณะอย่างไรคะและต้องอาศัยบทพิสูจน์เช่นไรถึงจะถือว่าไม่มีความสงสัยครับก็เราจะได้ศึกษาประวัติชาวพระพุทธเจ้าแล้วก็อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะไม่รู้ว่าเป็นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องจริงแล้วเรื่องแต่งขึ้นมาเพราะเราไม่อยางงาอยู่ในเหตุการณ์นั้นสมัยนี้เขาก็ อาศัยบินไปอินเดียดูไปดูที่เกิดของพระเจ้าไปดูที่ตัดสรรวงไปดูที่อะไรต่างๆ แ, แต่ก็เป็นเจอตัวพระเจ้าอยู่ดีไมนอยากเจอสถานที่ที่เขาว่าเป็นที่เกิดสนหรบคนบางคนพอเขาได้ไปดูสถานที่เหล่านั้นก็จะทําให้เขาเชื่อแต่ก็ยังไม่เป็นความเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันยังเป็นความเชื่อแบบมันมันไม่เห็นตัวจริงไม่เห็นของจริงมันอยากใจ จะเห็นของจริงก็ต้องเนี่ยต้องปฏิบัติละสังโยชน์ให้ได้ละสั ก, การะชิติได้ด้วยการภาวนาเนี่ยแล้วก็จะเห็นเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในใจของเราแล้วก็จะหายสงสัยน้อยเปอร์เซนแล้วในคําถามนี้บอกว่าต้องอาศัยบทพิสูจน์เช่นไรครับอาจารย์ครับก็เนี่ยปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพราะว่าสังโยชน์สามข้อแรกให้ได้ คุณ d ี Channel ครับเรียนถามหลังจากพระฉันและญาติโยมทานอาหารเรียบร้อยแล้วอาหารเหลือเรานําออกไปแจกคนยักไร้ได้ไหมคะเพราะบางคนบอกว่าห้ามนําอาหารออกนอกวัดจะเป็นเปรตครับมันอยู่ที่ว่าเราเอา อ, อกไปอย่างไรถ้าทางวัดอนุญาตแล้วก็ไม่เป็นเปรตแต่บางคนเข้ามาแล้วมีเจตนาที่อยากจะมาขโมยอาหารไปอย่างนี้จเป็นเปรตต้องอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่ว่าทางวัด อ น, นุญาตอาหารส่วนวนี้เล่าเนี่ยบางคนมันขโมยอาหารของพระก่อนที่พระจะได้ฉันก็มีมาไปกินก่อนอไองเงี้ยเป็นเปรตตามหลังแล้วอาหารที่มามาที่วันนี้จะต้องถอยพ ร, กพ ร, ระก่อนให้พระท่านอพิจารณาก่อนให้ท่านได้ฉันก่อนแล้วพอเหลือพระท่านก็จะอ น, นุญาตให้ญาติโยมไปร่วมกันรับประทานแล้วญาติโยมถ้าไม่มีเวลาอยู่ที่วัดอยากจะเอากลับไปบ้านรับประทานที่บ้านก็ไม่เป็นปัญหาถ้ามัน เป็นไปตามขั้นตอนแต่ถ้ามามามามาแล้วก็มาพยายามที่จะมาหาอาหารจากในวัดเนี่ยบางทีบางคนเอ่เอเวลาซื้อของมาบมัตรทุ้งที่วัดมีเอามาห้าเป็นโตแต่ว่าสี่เป็นโตมีเป็นโตเดียวใสยอาหารมาฐากลับนีเต็มทั้งห้าเป็นโตเลยห้าแถาเลย อ, อาชั้นเลยอย่างเงี้ยไปเป็นเปล่าแน่ มีเจตนาลมที่จะมาขาโมยอาหารของทางวัดแต่ถ้าเป็นอาหารที่เหลือแล้วทางาวัออดอนุญาตให้ไปได้ก็ยังไม่เป็นเปลงครับคุณมีนาครับถามสองข้อนะครับข้อที่1กรรมาฐานถ้าผมขนเล็บฟันหนังจุดประสงค์คืออะไรคะเราควรนํามาใช้ตอนไหนตอนกําหนดสติเวลานั่งสมาธิหรือตอนไม่อยู่ในสมาธิเพราะปกติเวลาไม่อยู่ในสมาธิหรือนั่งสมาธิก็พยายามใช้บริกรรมพุโทโธครับ คือมันต้องใช้ต้องพิจารณาตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิมนันเรื่องของปัญญาปัญญาสมาธิจะทาําหงงานตั้นวาระกันเวล า, วลาทําสมาธิเราจะไม่พิจารณาอะไรทั้งสิน้นเราจะตั้งธรรมใจให้หยุดคิดให้ใ น, ใ น, ในมมิ่งให้สงบแต่เวลาที่เราไม่ได้ทําสมาธิเราออกจากสมาธิเวลานี้เราสามารถพิจารณาอาการกรรมาฐานห้าหรืออาการอะไรต่างๆได้การพิจารณาอาก กรรมฐานหนะ้าความจริงนี้มันเป็นหน้าที่ของพระของนักบวชของผู้ที่ซือสินแปดขึ้นเป็ซื้อสินพรหมจรรย์เพราะว่าต้องการให้เห็นเห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามแต่เวลาที่บวชกันนี้เขาไม่มีเวลาสอนทั้งสามสิบสองอาการเขาสอนแค่ 5, 5้าการแรกก่อนสังเกตคุณหมอจําได้ว่าเวลาหมอไปบวชนี่ยเขาต้ององประชาต้องสอนกรรมฐานหน้าความจริงครับ เ, เป้าหมายก็คือให้ ให้สอนทั้ง32อาการแต่ไม่มีเวลามันยาวเกินไปก็เลยสอนแค่5อาการก่อนแล้วเวลาบวชไปแล้วให้ไปต่อตอยอดอีกทีนึ่งต่อจาก5อาการก็ไปถึงอาการ32เพื่อที่จะได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวนังเช่นเห็นกระดูกเห็นเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นลาไส้อย่างนี้เป็นต้น อันนี้ต้องการให้เห็นความไม่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้อุาหภูมิร่างกายเพื่อจะได้ควบคุมการอารมณ์ไว้ได้สำหรับนักบวชสาหรับผู้ที่เป็นคารวาที่ยังไม่ได้ถือศีลบวชนี้ไม่จำเป็นไม่จาเป็นนอกจากว่าอยากจะพิจารณาก็ไม่ห้ถ้าอยากจะไม่อยากจะร่วมเพศจับใครแต่ยังมีอารมณ์อยู่ก็ใช้การพิจารณาอาการสามสิบสองนี้คำมฐานสาสิบสอง ข้อที่สองครับการใช้กรรมฐานห้าเราต้องพิจารณารายละเอียดไหมคะเช่นค่อยๆดูผมแล้วไล่ไปเรื่อยๆหรือใช้เป็นการบริกรรมโดยไม่ต้องนึกืกปรุงแต่งครับก็เบื้องต้นก็นึกถึงชื่อมันก่อนข้อที่สองมันนึกถึงภาพของมันผมก่อนแลือกฟันนั้นที่สอนห้าอาการเพราะว่ามนอาการที่เรามองเห็นได้แต่เป้าหมายก็ยังไม่พอเพราะมันดูห้าอาการนี่ดูไม่ดูดีไม่ดีอาจจะดูแล้วทําให้เกิดการบวมขึ้นมาก็ได้ ไ้าเห็นว่าหน้าสวยผิวสวยผิวงามผมสวยวก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ได้ในควำเจริแล้วต้องพิจารณาอีก28อาการ27อาการด้วยกันที่อยู่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัมอีทีนึ่งถึงจะเห็นอัุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้งระงับการมาลาการอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้น นะครับไว้แบบยังไม่ได้ตัดเป็นแบบถาวรแต่คอยคุมมันไว้คุมกําเนิดมันไว้ก่อนคุณแม็กซิมัสครับอยากทราบวิธีดูว่าเราถึงจิตเราถึงพระโสดาบันหรือยังครับมันมันต้องรู้เองนะมันถึงเวลามันต้องรู้เองหรือว่เาเราโกาตายหรือเปล่ า, า, าลา้วก็ัวจะโรคภัยแค่เจ็บแรือเล่าเราล้วโรคอะไรหรือเปล่า เราเรายัางคิดจะทําบาปอยู่หรือเปล่าอะไรคิดจะทําบาปแล้วยังทําบาปอยู่ไห ม, ไหมยั ง, ไ ม, ยงย ไ, มไม่ใช่คุณสุดคันึงครับคําถามคือเล่นหวยหรือเสี่ยงโชคผิดศีลข้อไหนอย่างไรไหมครับมันเป็นอบายยมุคคือถ้าไปทําเป็นอาชีพมันจะทําให้เราล้มจมได้แต่ถ้าเล่นพอหอมปากหอมคอนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเสียหาย ไม่เล่นได้จะดีกว่าเพราะว่าเล่แล้วมันอาจจะติดแล้วมัน จ, จะเล่นมากขึ้นไปแล้วมันอาจจะนําไปสู่ความความล้มละลายได้คนที่เล่นการพานาันบางทีติดแล้วพอได้ก็อยากจะเล่นต่อคิดว่าเก่งพอเล่นไปแล้วก็เสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นต่ออีกเล่นไปเล่มายิ่งเสียยิ่งในที่สุดบางทีเงินทอนก็มีก็หมดไปก็ได้มันหมดแล้วที่นี้ก็ขายบ้านขายช่องขายที่ต่อ ว่ามันเล่นตาอพอที่จะเอาคืนเขาว่าขโมยขึ้นมากมันเอาไปได้เพลงแต่ทรัพย์สมบัติ mm hmm. ข้าวของนะบ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่ mm hmm. ไฟไหม้มันก็ไหม้แต่ของกับบ้านนนะั้ที่ดินมันยังอยู่ mm hmm. แ ต, แต่แต่ผีพันนันนี้มันเอาไปหมดไปทั้งข้าวของบ้านช่องที่ดินมันเอาไปหมดเนี่ยมันอันตรายตรงเนี้ครับ mm hmm. ถ้าเราไม่ห้ามใจ มมันจมนจจะะาาเหือไที่คอ่อ ย, ย, ยุณวัสนาอันนี้เล่าให้ฟังนะครับผมเคยโง่ครับคิดอยากรู้ทรรมเรียนทรรมแต่ดันไปปรึกษากับคนในวงเล่าซึ่งท่านผู้ฉลาดแค่มองก็รู้เลยว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จกับบูชาพระคุณพระเมตตาของอาจารย์ที่มีความกรุณาเปิดโอกาสให้สอนสั่งน้องนากลับมาบูชาสาธุครับ นั่นแหละ อ, อย่ไปก้คนพานให้ก้มมันเด็ดคนทพาก็คือคนงอคนที่ชอบอบายยมลบเนี่ยนะเปนน็นคนพานชอบดื่มล้าชอบเล่นการมานันอย่าไปคุยเรื่องธรรมะกับพวกนี้ก็เลยค้าคุณไม่ง่ายเลยคนละเรื่องเลยคุณปียพนครับพยายามนั่งสมาธิเกือบทุกวันพอนั่งไปไม่นานก็รู้สึกสงบและมีความสุขเลยทําให้พอใจแล้วไม่นั่งต่อให้นานขอคําแนะนําจากอาจารย์ครับ ถ้ามันไม่นั่นต่อหรอกถ้ามันมีความสุขมันจะไปหาความสุขอย่างอื่นมันยังอาจจะไม่สุขมากพอนะเองถ้ามันเจอความสุขแบบเต็มที่แล้วมันจะไม่อยากจะทําอะไรอย่างอื่นนะไม่อยากจะหาความสุขจากสิ่งอื่นมันนั่งสมาธิดีกว่าคุณเพชรตะวันครับมีอุเบกขาได้แต่แผ่เมตตาไม่ค่อยได้เนื่องจากเบื่อสังคมแก้อย่างไรดีครับ ก็แคแผ่ไม่งดาก็ไม่เป็นไรเราก็เฉยๆไปก็แล้วกันเราอย่างแผไม่ได้คุณแหม่มครับกับเรียนถามอาจารย์ว่าเมื่อเรานอนและภาวนาพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหลับมีอยู่สองครั้งคิดว่าตัวเองยังไม่หลับแต่ได้ยินเสียงกรนเบาๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรและเราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะเราไมไ่หลับไม่สนิทเนแบบ ค, ค, คุณนลินรัตถามว่าเกิดการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่วิญ ญ, ญาณจะมาเกาะเจ้าคะก็ น, นี่ไม่ทราบเวลาแต่เท่าที่เท่าที่ดูว่ามันก็เล่าเป็นทั้งสามส่วนมาพร้อมม า, มาพร้อมประชุมกันเวลาเดียวกันหรือไม่นี่ไม่รู้เนี่ยนะครับมันถึงจะเกิดการจะเริ่ จ, จบตของร่านกายขึ้นมาได้กิดการตั้งคัรขึ้นมาได้ นน่มสสาวี้คุณดำครับนั่งสมาธิแล้วเห็นความไม่เที่ยงของกายใจเห็นทุกข์เห็นความบังคับไม่ได้แต่ยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเวลาเจ็บปวดยังรู้สึกว่าตัวเราเจ็บมันไม่เห็นว่าตัวทุกข์เจ็บยังทำจิตให้เป็นคนดูไม่ได้ครับเรา<ต>ยังไม่มีรูปเบรคขาพอเนี่ยงฝึกสมาธิให้เจ็ดรวมเป็นหนึ่งสัต์แต่ว่ารู้ แล้วเช่นนั้นร่างจะเห็นว่าร่างกายกับจิตแยกตัวออกจากกันพระอาจารย์ครับอย่างนี้พระโสดาบันนี่นั่งสมาธิจะนั่งไปได้ยาวๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าท่านท้อาต้องได้ชาญก่อนเรต้องได้ชาญทั้งหมดก่อนตอนที่พระชาแสดงแสดงธรรมจากษครั้งแรกก็มีพระประจักวัตทีห้ารูปท่านเหล่านี้ก็ท่านก็ชำนาญทางข้าวชาญ ท่านไ้รูปประชานกั น, นบรรทั้งรูปประชานและรูปประชาเจริญด้วยซ้ำไปพอพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ ส, สี่คะแนนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นไม่เที่ยงท่านก็ปล่อยว า, ไย า, ยางได้หยุดความอยากได้คุณแคทครับลูกสะดวกที่จะไปตักบาตรตอนเช้าได้กับพระสงฆ์ที่ตลาดแต่ไม่ปลื้มใจกับพระที่ตักบาตรด้วยจึงมักจะโอนไปถวายที่วัดที่เราศรัทธา สมัยก่อนไม่เคยคิดแบบนี้คิดแต่ว่าทําเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกอยากทําบุญตัก บ, บาตรเหมือนเราเพื่อจะได้ช่วยยังศรัทธาให้กับผู้อื่นและพระพุทธศาสนาดํารงอยู่ต่อไปแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าศรัทธาแบบไหนก็ทําแบบนั้นพระอาจารย์คิดว่าลวกควรคิดใหม่ให ม, ใหม่เจ้าคะคือการทําบุญนี้ก็มีสองเป้าหมายคือประโยชน์ของเราและประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ของเราก็คือเวลาเราได้เสียสละแบ่งปันเราก็จะได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจ เป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้อยู่อย่างสุขและตายไปก็จะเราก็จะได้ไปสุขสุกตินี่คือประโยชน์ของผู้ให้ส่วนประโยชน์ของผู้รับเราก็ดูคนที่เราให้ว่าเขาเป็นคนบุคคลที่เราควรจะให้หรือไม่เขาเป็นคนที่คนดีหรือไม่ดีคนที่ทําจะทําคุณทําประโยชน์หรือทำโทษให้กับผู้เให้เราไม่อยากไปช่วยโจรใช่ไหมทาพวกโจร น, นี่เราก็ไม่อยากจะไปช่วยนีกแ้ แต่ถ้าเราเห็นคนที่เข้าทํางานเพื่อสังคมเราก็อยากจะไปช่วยเหลือเขาสนะสนุนเขาอันนี้เราก็ต้องเลือกคงเหมือนกันหรือนนถ้าเราอยากจะทําบุญเพื่อมนุษยธรรมก็ไม่เรียกว่าเ้าดีหรือเชื่อถ้าเห็นว่าเขายากจนเ้าอดอยากขาดแคลนเราก็อยากจะช่วยเขาอย่างนี้ก็ได้ช่วยเขาแบบนี้ก็ได้คุณวิภาวีครับเรียนพระคุณเจ้าคู่แท้กับ บ้าผู้ชายอันเดียวกันไหมไม่รู้มคาคนทำไงไยคุณสมพรครับการภาวนาคือการเจริญสติให้เกิดปัญญาเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับยังครับการภาวนามีสองระดับการเจริญสติเมื้องต้นให้เกิดสมาธิก่อนเมื่อเกิดสมาธิแล้วถึงค่อยไปเจริญปัญญาต่ออง คุณพีโกครับขอวิธีสอนใจให้รู้ว่าจิตมาอยู่กับกายชั่วคราวครับ ก, ก, ก็พูดกับตัวเองอยู่เรื่อยว่าเราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นจิตเรามาอยู่กับร่างกายชั่วคราวก็พูดไปเรื่อยๆถ้าเวลาที่เกิดอะไรก็ร่างกายก็บอกว่าออมันก็ต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องแยกทางกันที่ทำใจได้บ้าหันใจท้าใปล่อยวางได้ คุณมาริสาครับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องทำกรรมชนิดไหนถึงได้อัตภาพเป็นชายหรือเป็นหญิงเจ้าคะก็เรื่องของนิสัยไงถ้าเราชอบทำอะไรที่เป็นนิสัยของผู้หญิงเราก็จะได้ร่างกายผู้หญิงถ้าเราชอบทำอะไรแบบผู้ชายเราก็จะได้ร่างกายผู้ชายคุณสุวรรณีครับเมื่อวานที่หนูถามหลวงพ่อเรื่องการข้าหนอนในแผลสุนัข ถ้าหนูลงเวรคนเดียวในวันนั้นมันยากมากเลยค่ะที่ต้องหลีกเลี่ยงมีหนทางอื่นอีกบ้างไหมคะเครียดมากเลยค่ะกัวบาปก็เล่าจากงานไปสิเปลี่ยนงานใหม่ก็แล้วกันหรือเปลี่ยนไปอยู่ออดก็ไปอยู่งานตำแหน่อื่นที่ไม่ต้องมาทํางานงาที่นี้คุณอีฟครับคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าแพนิคในทางพุทธศาสนาเกิดจากอะไรเจ้าคะ เกิดจาการไม่มีสติเนี่ยไม่มีสติแล้วปล่อยให้กิเลสความอยากมันออกมาแสดงตนพอเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็เสียใจมันก็สิ้เศร้าไปถ้าไม่มีความอยากแล้วถ้ามีสติควบความอยากได้ใจก็ยังไม่สิ้เศร้าคุณมาริษาครับเวลาทําสมาธิมีความรู้สึกสงบและผ่อนคลายแต่ความสงบก็อยู่กับเราไม่ตลอด อยากทราบวิธีที่จะทําอย่างไรให้ความสงบอยู่กับเรานานๆเจ้าค่ะทําทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนําไปอยู่ไปหาที่ปฏิบัติธรรมที่เราสามารถทําได้ทั้งวันทั้งคืนดูทําน้ำมันก็ได้น้อยนะเหมือนตัดตุ่มตักน้ําใส่ตุ่มต่างวันละขันมันก็ได้แค่วันละขันถ้าต่างวันละสิบขันมันก็ได้สิบขันคุณวันวิพาครับ อยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเรานี้คือใจใช่ไหมเจ้าคะใช่เรานี้คือใจแต่ใจไม่ใช่เราใจเป็นผู้รู้แล้วผู้รู้นี้ถูกกิเลสคือความหลงมามามาปรุงแต่งให้คิดว่าผู้รู้ไม่คือเราแค่นั้นเองเป็นจินตนาการของของความหลงของความคิดของใจอีกทีหนึ่งจึงต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าอันนี้เป็นความหลงเนะี่ย ตัวเราเราของเราเนี่ยโดยแท้จริงของเราคือคือตัวรู้พูดรู้จักแต่ว่ารู้เป็นธรรมชาติที่รู้ครับผมเรานี่คือใจแต่ใจไม่ใช่เรานะอาจารย์ครับผมไม่เคยคิดมาก่อนครับเพราะว่าอาจารย์พูดแล้วก็ใช่ครับใจไม่ใช่เราครับม คุณปูเป้ครับพระอาจารย์คะหนูมีเสียงไปพัดเครื่องบินเหมือนมาจากโลกทิศเหมือนมาทดสอบความตายหนูบอกเสมอพร้อมตายมากแล้วก็เงียบไปแล้วเมื่อหนูสงสัยผู้อื่นก็จะมาเป็นช่วงๆหนูนึกว่าหายไปยังไม่หายเลยเจ้าค่ะอันนี้คืออะไรเจ้าค่ะกิเลสหรือเปล่าเจ้าค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องความคิดความปรุงแต่ขงของจิตเราก็ได้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นสไตล์ลักไปนั่นเองวิจารณว่ามันเป็นสมาวิธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป เห็นอนาคตเราควบคุมบังคับมันไม่ได้อย่าไปทุกข์กับมันมันอยากจะมาก็ปล่อยมันมามันอยากจะไปก็ปล่อย คุณสมพร้อมครับทําไมสมัยปัจจุบันนี้พระสงฆ์ไทยจึงไม่มีพ ร, พระภิกษุณีสงฆ์ทั้งที่พระพทเจ้าท่านประัดว่าผู้หญิงสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ทําไมจึงไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้บวชพระเป็นภิกษุณีคะขอพระอาจารย์เมตาบอกด้วยและจะแก้ไขให้เกิดการบวชภิกษุณีได้หรือไม่ในประเทศไทยครับคือภิกษุณีในสายของเทรวาที่เป็นสายของประเทศไทยนี้มันมีอยู่ประมาณพันปีด้วยกันครับ หลังจากพันปีแล้วไม่มีผู้หญิงมาสนใจที่จะมาบวชต่อก็เลยไม่มีภิกษุณีหลงเหลืออยู่แล้วเมื่อไม่มีภิกษุณีสงต่อไปเวลาจะบวชก็บวชไม่ได้เวลาจะบวชภิกษณุณีนี้ต้องมีภิกษุณีสงต้องมีภิกษุณีอยู่ก่อนอันนี้ไม่มีแล้วเราจะไปหาภิกษุณีที่ไหนมาบวชภิกษุณีครับก็เหมือนต่อไปถ้าเกิดไม่มีพระภิกษุสงเหลืออยู่แล้วเนี่ยเราอยู่ดีวันนี้คืนนี้เราอยากจะมาบวชเป็นภิก ษ, กษุนี่ก็บวชไม่ได้นะ มันหมดแล้วการจะบวชเป็นพระได้นี่ต้องมีสองอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปมาบวใชให้ในที่นึ่งภิกษุณีมันหมดไปตั้งแต่พันปีไปแล้วพันปีหลังจากที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาพอหลังจากพันปีไปก็ไม่มีไม่มีผู้หญิงที่สนใจที่จะมาบวชเป็นภิกษณุณีภิกษุณีก็เลยหมดไปเพราะหมดแล้วก็จะไม่สามารถมามามาฟื้นฟูนขึ้นมาได้มาใหม่ได้เพราะไม่มี ไม่มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันฟื้นถูขึ้นมาได้ไม่มีใครมาสอนพิชซุนีหมายว่าให้เป็นพิกซุนีอย่างไงรช่วงเริ่มต้นมีพระพุทธเจ้าคอยสอนอยู่คอยบอกอยู่คอยกำหนดอะไรต่างๆอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าอยากจะให้มีพิชซุนีต้องราพระพุทธเจ้าออกต่อ พระอาจารย์ mr. ครับแต่เห็นมีภิกษุณีในรับที่อื่นใช่ไหมครับพระอาจารย์ในอันนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเขา <Okay. S 2> เขาว่าอย่างไงก็เลยไ ม, ไม่ไม่สนใจเขวาว่ามาีถ้าอยากจะเป็นภิกษุณีในรับที่อ<ๆ>ื่นก็ไปก็ไปบวชกับเขาได้ครับก็มีคนไทยบางคนก็ไปบวชเป็นภิกษุณีจากของของมหาญาณแล้วก็มาอยู่เมืองไทยมาอยู่เป็นภิกษุณีในบมืงไทยคนก็เลยมองว่าเมืองไทยมีภิกษุณีได้อย่างไงครับว่าไม่ใช่เป็นภิกษุณีของเทราวะก็เป็นภิกษุณีของมหายาณ คุณวันเพ็นครับผู้ที่ปฏิบัติศีลสมาธิภาวนาถึงเวลาตายมาถึงจิตยอมรับความจริงแล้วปล่อยวางทุกสิ่งอย่างตามที่ได้ฝึกมาตอนป่วยเห็นอันนี้จังเจ้าคะ่ะจะมีโอกาสมีดวงตาเห็นทำไหมเจ้าคะกำลังทำรู้กันแล้วกันก็ไม่อยากจะพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่มันมันยังไม่เกิดนู้ที่ปฏิบัติจะรู้ได้รู้ตอนเองสันติโกพรเจ้าที่เราสวดกัน ธรรมะของพระเจ้าเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ที่พิสูจน์ได้ด้วอยตอนเองว่าจริงหรือไม่อย่างไรคุณชนิตาครับหนูสงสัยว่านิพพานคือสภาวะที่เรารับรู้ได้ถึงความว่างหรือเปล่าคะพระอาจารย์จะใช่แบบเดียวกับตอนที่นั่งสมาธิแล้วใจเราว่างไหมคะอยากทราบว่าถ้าตอนตายทำจิตให้ได้แบบนี้จะไปสู่นิพพานได้ไหมคะต้องต้องละ ก, กิเลสแท้ได้หมด ตัดความรล่งความกดความหลงใจใจถึงจะว่าอย่างแท้จริงขณะที่อยู่ในสมาธินี่กิเลสเพียงแต่พักตัวยังยังไม่ยังไม่ตายต้องใช้ปัญญาถึงจฆ า, ากิเลสให้หมดไปจากใจได้อาจารย์ครับตามคำถามนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปเป็นพรหมใช่ไหมครับอาจารย์คือตายตอนจิตเป็นสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิก็ไปเป็นพรหมรเรายังต้องกลับมาเกิด ไม่ใช่เพินไม่ใช่เป็นเป่นพรมแบบอณาคามียอนาคามีย น, นี้ไปเป็นพรมแต่ไปด้วยปัญญาไปด้วยการฆ่ากิเลสหมดไปการเวลาฆ้าหมดไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไปเกิดอยู่เป็นพรมอยู่แต่จะไม่กลับลงมาตั้งวันนี้แล้วก็จะบรรลุธรรมแล้วเป็นพระหลานต่าับต่อไปแต่พวกที่ใช้สติใช้สมาธิเข้าไปสู่สู่สวรรค์จั้นพรมเนี่ พอ ง, องสกําลังของสมาธิอ่อนลงหมดลงจิตก็จะอยากความความโลภความอยากต่างๆก็ยังโผล่ขึ้นมาหน้อยู่มันก็จะดึงจิตให้นองมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปคุณธีระครับมีสติตามดูความคิดโดยตลอดครับหาปัญหาหรือคําถามที่สงสัยไม่ค่อยปรากฏหรือปรากฏน้อยสติก็เฝ้าดูความคิดอย่า ง, งเงียบไปอย่างนี้ครับ ไม่ควรไม่ควรเฝ้าดูคนจะหยุดมันะต้องหยุดการคิดคุณแว่นครับเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่ยังรักความอยากไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละจะต้องทําอย่างไรครับอาจารย์ก็ต้องพยาหยุดความเหตุที่ทําให้ทุกข์นั่นก็คือสมุทัยความอยากต่างๆ อยากร่ำอยากรวยนี่ก็ต้องตัดไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องตัดไป ค, คุณยศศิษย์ครับขออนุญาตถามครับถ้าหากเราฝึกนั่งสมาธิแต่ไม่ถึงชาญหรือไม่ถึงสมาธิขั้นใดเลยแล้วแบบนี้เราจะสามารถเข้าโสดาบันได้ไหมครับไม่ได้แร้วมันไม่ไมันไม่มีกําลังพอที่จะไปหยุดไปละสามยน์ได้ กาบเรียนถามพระอาจารย์ต้องผ่านวิปัสสุกิเลสก่อนใช่ไหมเจ้าคะถึงจะสามารถเข้าถึงวิปัสนาที่แท้จริงได้ครับอันนี้มันมีปัสสุกิเลสหมายถึงการการเข้าใจผิดว่าตัวเองได้บรรลุแต่บางทีมันยังไม่บรรลุคุณโนเมนถามว่าพระโสดาบันเป็นหมอดูได้ไหมครับไม่ดูหรอกไม่เชื่อที่หมอดูแล้วเป็นหมอดูได้งไง คุณสมพรบอกว่าการรู้ธรรมะกับการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับเราต้องรู้ต้องเข้าใจธรรมะกันก่อนเราจึงจะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องหากเราปฏิบัติธรรมแบบไม่รู้ธรรมเราก็จะปฏิบัติไปแบบไม่รู้ปฏิบัติไปตามสภาพนองกับขอคำแนะนําครับในเบื้องต้นเราต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นเป็นการศึกษาธรรมแต่ธรรมนี่มันมี2อส่วนไงธรรมที่เป็นเหตุและธรรมที่เป็นผล ตอนนี้เราไม่มีธรรมที่เป็นผลเพราะการที่เราจะเข้าถึงธรรมที่เป็นผลได้เราต้องมีธรรมที่เป็นเหตุมาเป็นตัวพาไปเพราะฉะนั้นเริ่งต้นเรามาศึกษาธรรมที่เป็นเหตุก็คือการปฏิบัติศินสมาธิปัญญาเมื่อเรานําสินสมาธิปัญญามาปฏิบัติจนบรรลุถึงผลเราก็จะได้พบกับธรรมที่เป็นผลต่อไปที่เรียกว่ารู้ธรรมนี่ก็รู้ธรรม คุณแม็กซิมัสถามว่าทําไมพระอานุนถึงร้องไห้เสียใจตอนพระพุทธเจ้าปรินิพานครับพอพ ร, ะ, พ ร, ะ, พระอานุนท่านยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านเป็นแค่พระโสดาบันรบพะระเจ้าก็ปลอบพระอนุนว่าเธอไม่ต้องเสียใจอานุ์เดี๋ยวหลังจากเราจากเธอไปสามเดือนเธอก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์นะอันนี้ใครกําลังใจพระอนุนไม่ให้เศรา้ากเสียใจ อาจารย์ครับอย่างนี้แปลว่าพระโสดาบันยังเสียใจที่ที่คนรักจากไปอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ยังเสียใจอยู่จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกับเรียนขอคําแนะนําพระอาจารย์ค่ะคือที่บ้านจะใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันพระรูปเดิมจะมารับทุกวันแล้ววันหนึ่งท่านเอ่ยปากขอยืมเงินอย่างนี้ดิฉันไม่สบายเลยเลี่ยงไม่ได้ ไม่ใส่บาทเลยอย่างนี้เป็นทางออกที่ถูกต้องใหม่เจ้าค่ะเลยทําให้ที่ฉันหมดโอกาสใส่บาทหน้าบ้านแต่ไปวัดถือศีลทุกวันพระเจ้าคะ่ะก็ดีแ <cess> ล้วล่ะเพราะมันไม่เป็นสิ่งที่พระพิกเุคนจะกระทํำคือไปขอเงินขอทองไม่ขอยืมเงินนอกจากว่าถ้านาติโยมปร a v a าไว้ก่อนว่าถ้าท่านต้องการเงินทองก็บอกที่ฉันได้ถ้าเราไม่เลยปร a v a าแล้วท่านมาขอนีก็ผิดกฎผิดผผิดภาพวินัยของพระแล้ว ก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่านจะดีกว่าประเดี๋ยวให้ยืนแค่วันเดียวพวกนี้ก็มาคอยิืนใหม่ยินวื่งคาถามคล้ายๆเดิมครับคุณพชรวัตรบอกว่าพระโสดาบันมีความเศร้าเสียใจไหมครับและพระโสดาบันใช้ทำใดพิจารณาครับท่านก็ยังมีความอยากในบางเรื่องบางอย่างอยู่ ถ้าท่านเสียคนที่ท่านเป็นคู่รัดกันนั้นท่านก็ยังเศร้าโศกเสียใจได้คุณปณรัตน์ครับเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกถึงความแผ่ซ่านทั่วร่างกายคือเรื่องปกติใช่ไหมคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรียกว่าปิติแต่ยังไม่ถึงถึงถึงผลที่เราต้องการก็คือความนิ่งสงบความว่างของขอ ง, ของจิต แล้วก็การอุบเบัขาแล้วกับความสุขที่ยไม่เคยพบมาก่อนคุณแพตครับแมวจรจัดที่โยมให้อาหารถูกกัดหนังหลุดห้อยเห็นเนื้อด้านในยังมากินข้าวปกติได้พยายามให้ยาเพื่อนบ้านเริ่มมาถามพี่สาวแนะนำให้คนมาจับไปซึ่งอาจจะถูกฆ่าโยมอยู่ต่างประเทศถ้าไม่ทำหายไปนะครับคุณทำนี่ผมตอมา โดยเปิดแฟกครับเดี๋ยวขออนุญาตครับข้ามไปก่อนนะครับคุณคำเลิศบอกว่านั่งสมาธิมีการเหมือนร่างกายมันขยับอยู่ภายในครับเหมือนแสดงว่ายังไม่สงบใจเราไม่อยากไปสนใจมันเป็นอาการที่ใจมันปุกแต่งขึ้นมาให้เรามีสติอยู่กับการภาวนาต่อไป คุณเจซีบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้รักษาศีล5แต่ปัจจุบันตั้งใจรักษาศีล5แล้วแบบนี้ยังต้องไปใช้กรรมที่เคยผิดศีล5ก่อนหน้านี้ไหมครับเฮ้ยครับครัทำแบบอันใดว่าทํำผลไม่เกิดขึ้นมันก็ต้องก็ต้องเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตไม่ชาติก็แล้วคุณสัมพันธ์ครับ กระผมกำลังจะถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากไปขัดแข้งขัดขาผู้มีอำนาจกระผมควรทำใจอย่างไรครับก็วควรจะดีใจว่าเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ให้บวชได้เลย ค, คุณวันธนีครับกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะถือศีลอุโบสถโดยไม่ได้กล่าวขอศีลกับพระสงฆ์แต่ได้มีการกล่าวสมาทานศีลด้วยตนเองและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้งแปดข้ออย่างเคร่งครัดตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เช่นนี้ถือว่าการถือศีลอุโบสถในครั้งนั้นถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เจ้าคะถูกต้องเพียงแต่ว่าเราไม่เรียกศีลอุโบสถเราเรียกว่าศีลแต่ศีลอุโบสถนี้หมายถึงว่าเราไปรักษาศีลในภรพอุโบสถในวัดอย่างญาณโยวาสิกาที่เขาไปวัดกันในวัดพระนี่เขาก็จะไปถือศีลไปฟังเทศไปภาวนาแล้วก็ไปนอนอยู่ในโบสถ์เพราะที่วัดไม่มีสถานที่ให้อุบาสิกาไปนอน ไปปฏิบัติวัดีิมานจากวัดบ้านทั่วไปนะครับเขาเลยไปใช้อุบากอุโบสถเป็นที่พิธที่ปฏิบัติทำที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ที่หลับนอนไปเราเรียกว่าเป็นเป็นรักษาสีอุโบสถไปก็คือรักษาศีลแปด น, นี่ถ้าเรารักษาที่บ้านเราก็เรียกว่ารักษาศีลแปดไปมันมันก็อันเดียวกันเหมือนกันทั้งแปดก็ไม่มีต่าง โอกาสกับพระอาจารย์สมัยผมเด็กๆเนี่ยคุณย่าผมก็เป็นตัวอย่างให้ผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยครับมันพระนก็งอยู่ใช่ครับก็เห็นว่าแปลกๆคุณย่าถึงเดินทางถึวันพระใช่ทครับวัดที่บ้านเราปฏิบัติไม่ได้ที่บ้านม่มีคนปฏิบัติแล้วองไปวัดปฏิบัติที่วัดที่วัดไม่มีที่นอนให้สุบาศิกาก็เลยให้ไปหลับนอนกันในพระองค์บ่สวน ดฏิบัติที่นั่งแล้วก็หลับนอนที่นั่นกันไปทำวัดข้ามเสร็จนั่งทมาที่เสร็จก็นอนตอนเช้าตื่น้นมาก็ทำวัดเช้าก่อกลับ บ, บ้านคุณรงลิศครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับผู้รู้กับใจคือสิ่งเดียวกันใช่หรือเปล่าครับใช่ตัวเดียวกันเป็นชื่อที่เราที่เราพูดถึงมันก็คือธรรมชาติที่ดูเนี่ย ที่รูที่คิดนี่คือใจเรื่องดวงิญญาเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณคุณยิ้มครับขออนีญาสามครับกรณีถือศีลแปดสามารถทาแป้งฝุ่นตามข้อพับได้ไหมครับไม่ได้ทานหน้าเพื่อความงามครับถ้าทำเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการรักษาร่างกายนั้นได้อยู่ คุณมาริสาครับคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ที่ติดตัวเรามาต่อให้หนีไปอยู่ดาวอังคารก็หนีกรรมไม่พ้นนอกจากการปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าครับอาจารย์คือถ้าเป็นวิบากกรรมนี้ไปอยู่พร้อมไนชาตินนมันก็ไม่เหมือนถ้าาไปเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกไหนมันก็ต่างไปได้คุณโนเมนครับพระอนาคามีทมนิโรธสมาบัติได้ทุกองไหมครับ อันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละองการทำสมาธิเพื่อมรกผลนิพพานนี้ไม่จาเป็นนะต้องทำถึงขั้นนิโรธสมาบัติทำแค่รูปฌปานสีก็พอแต่บางคนนี้มีสติที่แกร่กล้าที่สามารถเข้าถึงนิโรธสมาบัติได้ก็เป็นเป็นกรณีของแต่ละองคไปคุณเอนโรสครับ ขอโอกาสค่ะไม่ค่อยเข้าใจที่พระอาจารย์สอนว่าการภาวนาต้องหยุดความคิดถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนักบวชเช่นสมัยตอนพระอาจารย์อยู่วัดป่าบ้านตากแล้วช่วยให้ลวงตามหาบัวแปลหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษจะทําได้อย่างไรคะหรือว่ามันคือการแบ่งเวลาคะเป็นการแบ่งเวลาแล้วอยู่ขั้นตอนของเราปฏิบัติของเราด้วยว่าเราอยู่ขั้นไหน grammar. ถ้าเราอยู่ขั้นที่ต้องหยุดความคิดให้มากที่สุดเราก็ไม่ทํางานอย่างอื่นเลยทางานแต่การหยุดความคิดอย่างเดียว พอเราสามารถควบคุมการคิดอยู่กัรคิดได้นะเราสามารถที่จะแบ่งเวลามาทำอย่างนึ่นได้เราก็แบ่งเวลามาคุณแพทครับอาจถูกคอมเพนและมีผลทั้งกฎหมายและเกรงว่าแมวอาจมีเชื้ออ๋ อ, อคำถามต่อเมื่อกี้นะครับอาจารย์หากไปกัดคนหรือสัตว์อื่นก็ให้คนอื่นเดือดร้อนโยมไม่อยากทำไม่อยากผิดศีลรู้สึกไม่สบายใจมากค่ะโยมควรทาอย่างไรดีครับบาปหนักขนาดไหนคะ เราไม่ได้บาปอกถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขามันไม่ได้บุญทั้งนี้ถ้าเราไม่ไปทำลายเขาทําให้เขาเป็นอะไรไปเราไม่เราไม่ได้ทําบาปแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ถือว่าเราไม่ได้ทําบุญทั้งนั้นเองคุณยัตวีครับกราบพระอาจารย์ครับขอคําชี้แนะด้วยเจ้าค่ะท่านมีอยู่ว่าเคยมีเพื่อนสนิทที่คอยให้คําปรึกษาเราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเรา เป็นที่พึ่งทางใจคอยสอนทำให้เราวันหนึ่งเขาปิดกั้นเราทุกช่องทางเพื่อยุติความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนดิฉันคิดมากกระวนกระวายใจดิฉันควรทำยังไงเจ้าค้าขอคาชี้แนะครับก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการสิ้นสุดลงเป็นธรรมดาเอาอยู่ในโลกของอนิจจความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ม, มีเกิดม่ดับความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เกิดได้แล้วก็ดับได้ เมื่อถึงเวลาบรรดาบเราก็ยอมรับความจริงไปมันก็จบไปแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายจบก็จบนะเนี่คุณชัยครับมีลูกน้องกับลูกค้าเป็นอิสลามโอนเงินให้เพื่อนที่เป็นอิสลามเป็นประจําจะทําให้เราชาติหน้าเป็นอิสลามหรือเปล่าครับอยากเป็นชาตุดครับไม่เกี่ยวนะเรื่องโอนเงินมันอยู่ที่การประพฤติของเราว่าเราเราปรพฤตนแบบไหน ถ้าเร า, าพูดตามคาําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นชาวพุทธตอนเด็กชอบแอบเอาเงินแม่บ่อยๆปัจจุบันเงินมีเท่าไหร่ก็หมดบางทีก็หายากเหลือเกินมีนี่มีศิลถ้าจะหยุดกรรมนี้ทําอย่างไรคะปัจจุบันไม่ทําแล้วคะ่ะตอนนี้ทําได้แค่ต้องยอมรับอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับไปเรื่อยๆจะปรั บ, บมันจะหมด คุณยินหยางบอกพระโสดาบันต้องได้ฌานสี่และเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่สามารถเข้าสมาธิได้ได้ตามที่เวลาที่ต้องการและอยู่ในสมาธิได้นานใจจิงจะมีกําลังที่จะมาละสมโยชนได้คุณแอมครับกลับเรียนถามเจ้าค่ะทําทอย่างไรเราจึงทําสมาธิให้จิตสงบและก้าวหน้าขึ้นครับก็ต้องทำมาบ่อยๆทําให้มากๆ การเล่นสเตปบ่อยๆที่เราทั้งวันทั้งคืนยกวันเวลาละคุณคาริษฐาครับถ้าเราไม่กลัวตายแต่เรากลัวคนอื่นจะเข้าใจเราผิดเพราะมีคนใส่ร้ายเราอย่างนี้เรายัางติดอยู่ในสังโยชน์ข้อไหนคะไม่รู้เหมือนกันนะเอาคุณให้เป็นทฤษฎีถ้าคุณไม่กลัวตายแล้วคุณจะไม่กลัวเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าคุณไม่กลัวตายจริงๆ คุณวันวิสาครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราจะเข้ากราบพระผู้ใหญ่ทำไมเราเกิดขนลุกคะก็เป็นความรู้สึกของเราสนตัวคุณตุ๊กครับบอกพระโสดาบันมีระดับเลเวลแยกย่อยอีกไหมครับไม่มีระดับเดียวนะครับคุณกฤษกรครับ ลูกเอารูปของพ่อแม่ไว้ในห้องพระพ่อแม่เสียแล้วทั้งสองท่านมีคนบอกว่าไม่ดีเอาคนตายมาไว้ในห้องพระกราบเรียนถามครับไม่จริงหรอกพ่อแม่ของเราท่านก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่ท่านจะเป็นจะตายท่านก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่ที่เรากราบไหว้ได้นึกถึงท่านได้เสมอคุณเป๊ปครับพระโสดาบันอัตถของท่านจะเป็นพระาธาตุหรือไม่ครับ ยังเป็นไม่ได้หรอกเพราะจิตยังไม่สะอาดบริสุทอยซต้องเป็นพาาราอรนจิตของท่านสะอาดโบสุทย์นหนึ่งจะสามารถพอกอัธิให้กลายเป็นพระธาตุได้คุณตาต้าครับผู้ที่ขาดเมตตาต่อสัตว์ไม่ได้ทำร้ายแต่ไม่มีจิตสงสารจะเป็นอุปสรรคต่อสามารถต่อสมรุธรรมในระดับโสดาบันได้หรือไม่คะ มันก็ไม่ไมน่าจะเป็นอุปสรรคเพราะเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกับกับผู้อื่เพียงแต่ว่าเราม่รู้จะตอบยังไงดีมันไม่ไม่เป็นอุปสรรครอถ้าถามว่าถ้าเราให้มีจิตสงสารมันก็เป็นเรื่องของการขาดขาดความการุณาคุณเมตตาธรรมครับการนรรมสการครับ พบโปรดไม่ตาทำชี้ทางให้กับผมครับในปัจจุบันนี้ผมพบเจอทั้งอุปสรรคหรือว่าเป็นบททอดทอดจิตใจของผมไปวัดก็เจอกลับมาบ้านก็เจอครับและผมจะผ่านพ้นไปได้อย่างไรไม่ให้ทุกข์ใจและมีกําลังใจต่อสู้ให้ผ่านไปด้วยดีครับก็ต้องทําใจว่ามันเมื่อมีอุปสรรคก็เป็นเรื่องธรรมดามันอุปสรรคก็ถือว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศแล้วก็เจอฝนตกน้ําท่วม ต้องยอมรับขอบสภาพไปแล้วพยายามปัดแก้ไขอุปสรรคนั้นผ่าให้มันผ่านพ้นไปได้คุณพนัสครับตอนเจริญสติขณะภาวนาพุทโธก็มีความคิดมาแทรกเรื่อยๆผมควรทำอย่างไรไม่ให้เกิดอาการนี้ครับสติเรามีกำลังไม่มากพอต้องพยายามฝึกสติให้มากกว่านี้ฝึกบ่อยๆฝึกทั้งวนันทั้งคืน คุณรังสีครับการเรียนถามพระอาจารย์สองทอนะครับคําถามจะ ก, กระทบวัดใหม่การชําระหนี้สงตามตู้บริจาคมีไหมครับหมายถึงที่ไหนที่วัดนี้่หรือที่ไหนก็แล้วแต่วัดเนี่ยการชําระหนี้สงก็คือหนี้ที่สงต้องมาไปชําระเช่นสงค่าน้ำค่าไฟนี่ก็เป็นหนี้เป็นหนี้อย่างหนึ่งถ้าโย่ถ้าใครจะทําทําบุญทำชำระหนี้สงพระ ทางวัดเขาก็จะได้เอาเงินก้อนนี้ไปชําระหนี้ที่ที่วัดทางวัดมีต่อต่อองค์กรต่างๆเช่ น, นโรงไฟฟ้าหรือโรงน้ําประปานี่ยเป็นหนี้เขาก็ต้องก็ต้องชำระเขาก็อาศัยการทําบุญคุณญาติอยู่ครับข้อที่สองครับจิตที่สงบจําเป็นต้องมีความสว่างไหมครับบางทีก็สว่างบางทีก็ไม่สว่างก็มี แต่มันว่ามันยังมันสงบมันมันสบายคุณบีบี้ครับถ้าเรายังเครียดกับการทำงานหรือเรื่องต่างๆทางโลกถือว่าเรายังยึดติดในตัวตนและเป็นอุปสตรรคต่อการบรรลุโสดาบันไหมครับก็ก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคอยู่เราต้องไม่ทำงานเลยเราต้องทิ้งงานได้เราถึงยังมาทิ้งร่างกายได้ ถ้ารายัางทิงานไม่ไเราจะไปทิ้งร่างกายเราได้อย่างไงคุณลีครับถ้าเรายังพูดถึงคนอื่นโดยนํามาเล่าให้อีกคนฟังถือว่ายังผิดศีลข้อมุสาหรือเปล่าคะและตอนนี้ยังมีกรรมกับมดเพราะชอบมาขึ้นอาหารทําให้ต้องนําไปล้างน้ําก็จะล้างมดลงอ่างไปเลยจะบาปมากหรือเปล่าคะกรรมนี้จะทําให้ห่างไกลจากการบรรลุพระสดาวันหรือเปล่าคะตอนนี้ฝึกนั่งสมาธิทุกวันแต่ยังฟุ้งซ่านอยู่ครับ ยังอ่านหรือว่ายังรักษาศีลไม่ได้ยังรักษาศีลไม่ได้ไไดไไดจะไปฝึกสมาธิกายแล้วถ้าไม่มีสมาธิจะไปละสามย่อยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเราพยายามหรักษาศีลให้ได้ก่อน ค, คุณพลังครับซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนบาปไหมครับแต่เราไม่ดื่มครับไม่บาปหรอกมันการดื่มเหล้าความจริงก็ไม่บาปมันเป็นอภายอย่างนี้ เห็นแต่ว่ามันทําดื่มแล้วเมาแล้วมันจะทําให้โอกาสไปทําบาสมันมันง่ายขึ้นท่านก็เลยห้ามไม่ให้ดืม่มแล้วคนที่ทําบาปบางทีทําเพราะไม่มีสติเวลาเกิดอาการเหมือนเมาขึ้นมาแต่ถ้าทําถ้าดื่มแล้วแล้วนอนหลับแล้วก็ไปนอนก็ไม่มีก็ไม่ได้ไปทําบาปแต่อย่่างดแตมันก็ทําให้ไม่สามารถไปภาวนานะ ไ, ปไปฝึกสตินั่งสมาธิได้มันก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิแต่มันไม่บาป คุณอ้อนครับการนันสการพระอาจารย์ตั้งแต่หนูได้ไปใส่บาตรพระอาจารย์ครั้งแรกวันที่14มีนา2564และได้ฟังรายการนี้ทุกวันอาทิตย์รวมถึงติดตามอ่านคําสอนพระอาจารย์ทำให้หนูรู้สึกมีความสุขมากขึ้นชอบในความสงบและปล่อยวางมากขึ้นปัจจุบันหนูลาออกจากงานเพื่อจะได้มีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังไลฟ์พระอาจารย์ทุกวันและไปถือศีลแปดที่วัดในช่วงที่สะดวกเพราะมีลูกครับคําถามคือหนูไม่ได้มีเป้าหมายว่าอยากจะเป็นพระโสดาบัน ต่หนูแค่รู้สึกว่าตัวเองติดใจในความสงบไม่ชอบความวุ่นวายอย่างนี้อย่างนี้ก็ถูกแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นพลาโซดามาันหรอกขอเรามีความสุขกับการรักษาสีกับการทํำนมทำทายของเราการปฏิบัติของเราก็โอเคแนละ้วจะเป็นไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึ่งถึงเวลามันก็จะเป็นเองถ้ามันเวลามันจะเป็นมันก็เป็นเอง คุณปุ้ยครับนมัสการ์ครับอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเข้าใจความหมายของการนั่งสมาธิดูลมเบาๆดีใจไม่รู้จะบอกใครครับที่สังเกตคือช่วงนี้ไม่เข้าพวังแล้วมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาการนั่งสมาธิต้องเข้าพวังใหม่ครับถ้าเป็นพวังหลับก็ไม่ต้องเข้าแต่ถ้าพวังสงบนี่ก็ต้องเข้าพวังส ง, สงบก็คือสมาธินั่นเอง สุกตาครับครอบครัวให้ไหว้ติจุเอียจะทํำยังไงครับพระอาจารย์ไหว้พอเป็นพิธีได้ไหมคะแต่ในใจเราคือพุทธะไตรค่ะได้ไหว้ใครก็ได้ไหวพ่อไหว้แม่ไหว้คนนั้นคนนี้ไหว้ได้เป็นเรื่องของสังคมทําไปเพิ่มให้ขัดกับสังคมแต่การถึงพุทธะไตรนี้หมายถึงว่าเราจะเชื่อแต่คําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนของคนอื่นถ้าขาดจากคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่เชื่อ คุณลัตนาครับพระโสดาบันจะกราบแต่พระพุทธรูปอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่กราบไหว้รูปสักการะอื่นใช่ไหมคะก็แล้วแต่ท่านท่านก็จะกราบพ่อกราบแม่อยู่ได้กราบคนที่มีพระคุณได้เรื่องการกราบนี่เป็นการแสดงความเคารพเป็นการอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไม่จะไม่กราบพูดเลยถ้าเราไปวัดอื่นเขากราบเขากราบไปแล้วก็กราบไปตามธรรมเนียมเพื่อไม่ให้เสียมารยาทด้วยทำได้ แต่ไม่ได้ทำไม่ได้กลับกลับเพื่อให้ขอมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราทนั้นคุณพัทราครับผมเคยได้รูปฌานสามหรือสี่แบบบังเอิญตอนอายุยี่สบสองแล้วไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องผ่านไปยี่สิบห้าปีผมทำไม่ได้เหมือนเดิมขณะที่คิดว่าพร้อมกว่าตอนนั้นเพราะอะไรครับตอนตอนนั้นมันอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดความสง บ, บขึ้นมาแมันเป็นเรื่องของ เนสิ่งที่อาจจะเกิดครั้งเดียวก็ได้นะถอาเรจนได้อย่างนั้นีเราก็ต้องมาฝึกให้มันเป็นกิ จ, จลักษณะือเราต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้บ่อยๆแล้วเราก็จะอาจจะมีโอกาสทำให้มันสงบได้อีก คุณอัญชุกรครับการข อ, อการนั่งสมาธิแล้วไม่รู้สึกปิติน้ำตาไหลแล้วสำลักจนไม่สามารถนั่งสมาธิต่อได้ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำสมาธิต่อได้ครับลอส่วนมันไปก่อนดูเนี่ส่วนส่วนมนต่อไปก่อนพุโทโธไปถ้าไม่าก็ลุกขึ้นมาเดินจกองก่อนแล้วสะพัดพกลับไปนั่งหม่คุณกิติศักดิ์บอกว่าการฝึกแยกกายแยกจิตต้องฝึกอย่างไรครับ ก็เนี่ยมีสองระดับในระดับสมาธิก็เข้าชายไปไปแยากกายแยากจิตแล้วพอได้สมาธิออกจากสมาธิมาก็สอนใจเตือนใจว่ากายกับใจไม่ใช่อันเดียวกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่เราสอนอ ใ, ใจไม่ต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับร่างกายเพราะร่างกายเป็นแค่เป็นคนรับใช้ถ้าช่วยมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นจะตายก็ถ้าห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตาย คุณเพนถามว่าคําว่าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินใครอยู่บ้างคะคือสวรรค์นี้ที่เขามีแบ่งเป็นชั้นๆทำไมเาอ่านในพระไตรปิฎกอยู่สวรรค์ชั้นเทพรู้สึกจะมีหกชั้นแล้วสวรรค์ชั้นชั้นชพรหมนี้มีแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันสิบหกชั้นได้ไงเนี่ยไมรได้ศึกษารายละเอียดเพราะมันเป็นความสงบคนละคนละระดับกันความสงบคนละระดับกัน คุณจรครับบาปจากการฆ่าสัตว์นั้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณค่าของสัตว์นั้นใช่ไหมครับอย่างค่าหนอนกับค่าควายครับใช่ใชคุณลินลดาครับพระอาจารย์คะลูกดูแลที่แม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลูกเห็นทุกขเวทนาลูกมีความทุกข์ใจบางครั้งที่ลูกหลีกออกมาเพื่อรักษาจิตก่อนแบบนี้ลูกทาผิดไหมคะในระหว่างที่ลูกหลีกออกมา มีพี่เป็นคนดูแต่พี่ดูแลไม่ค่อยจะรู้หลักการดูแลเท่าไหรค่ครัก็เราก็ต้องมีเวลาสำหรับตัวเราเองบ้างเป็นธรรมชาตถ้าเราป่วยเราก็ต้องมารักษาตัวเราก่อนใช่ไหมถ้าร่างกายเราป่วยเราก็ต้องรักษาร่างกายเราถ้าจิตใจเราป่วยเราก็ต้องรักษาจิตใจของเราอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดครัมันเป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องทำ คุณสันธิดาครับมีเพื่อนต่างศาสนาเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดบนโลกใบนี้ถูกสร้างกําหนดโดยพระเจ้าพระเจ้าสร้างบททดสอบขึ้นมาให้คนบนโลกต้องผ่านไปให้ได้จะมีวิธีบอกเพื่อนอย่างไรให้เขามีสมาธิฐิเช่นเรื่องกรรมครับก็ต้องอยู่ที่เขาสนใจอยากจะรู้เรือเปล่าถ้าเขาไม่สนใจอยากจะรู้เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้คุณสมปองครับ อยากถามว่าสิ่งไหนมากระทบแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดควรจะทําวิธีไหนคะก็ควรจะเฉยๆควรฝึกอุกเบกามันมากระทบแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปเป็นเหมือนเจิ้งหรดที่ดูเขามาคอยปั่นหัวเราเพราะใคเรเล่นจริงหรีดเมื่อตอนเด็กๆเราใคเรเล่นก็เอาขนมาปั่นหัวจิ้งหรีดแล้วจิ้งหรีดก็จะนอาเสียง อันนั้นคนเราก็เหมือนจิ้งหรีดนะเวลาอะไรามากระทบหน่อยก็วุ่นวายใจขึ้นมาทันทีทำมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้เวลาเสียงอะไรมามากระทบก็เฉยเฉยไปก็หมดเรื่องไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจแต่เราไม่มรู้อุเบกขาเ้าทําใจไม่ได้ทําใจให้เฉยไม่ได้ต้องฝึกอุเบกขาต้องฝึกสมาธิอะไอย่างเงี้ย คุณสมพร้อมครับตํารวจบาปไหมเจ้าค่าถ้าเขาฆ่าผู้ร้ายตายเพราะคิดว่าตํารวจทําตามหน้าที่ครับบาปแต่มันอาจจะไม่ไมบาปเท่ากับการไปทําร้ายคนที่เขาไม่ใช่เป็นผู้ร้ายคนเป็นผู้ร้ายนี้เขาก็มีคุณคุณน้อยกับคนที่ไม่ไม่ได้เป็นผู้รา้ายก็ต้องบาปอยู่เหมือนกันก็ยังถือว่าบาป ก, การไปทำร้ายผู้ฆ่าผู้ให้เขาตาย คุณพนรัตน์ครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเรานั่งสมาธิแล้วตั้งใจว่าจะนั่งให้ดีแต่ก็ยังมีความง่วงพอง่วงแล้วเห็นความง่วงสติดึงกลับมาการเห็นความง่วงแล้วหายง่วงคือเรารู้ทันกิเลสหรือชนะกิเลสใช่ไหมครับว่านั้นก็ได้คุณพรินดาครับถ้าปฏิบัติจนได้ญาณแต่ภายหลังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมญาณที่เคยได้จะเสื่อมลงไหมคะ คัาที่ญากับฌานมันไม่เหมือนกันนะฌานคือสมาธิญาตคือปัญญาถ้าถ้าถ้าเป็นปัญญามันจะไม่เสื่อมถ้ารู้อะไรแล้วมันก็จะรู้ต่อไปถ้ารู้ว่าร่างการนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็จะรู้ไปมันจะไม่มันจะไม่เสื่อมแต่ฌานนี่เสื่อมได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่เข้าฌานอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาอยากจะเข้าฌานก็จะเข้าไม่ได้ คุณสมศักดิ์บอกว่าจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกกับจิตทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับมันก็อยู่ในตัวจิตเนี่ยในตัวจิตเรามันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ก็แล้วก็เาจิตสํานึกและจิตสํานึกที่มันอยู่ลึกเข้าไปที่มันต้องใช้จิตฉมอกมันถึงจะโผขึ้นมาเช่นการเระลึกชื่อลระลึกชาติได้นั่นก็จิตใต้สํานึก มันก็มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยส่วนจิตเหนือธรรนื่องนี้ไม่อชาติมาครับว่าจิต ท, ที่หลุดพ้นแล้วเนีย่ยจิต ท, ที่เป็นโลกุตละมั้งเปล่าอันนี้คุณพิมพ์์พัฒนครับเวลาลูกทําบุญต่างๆล้วนแต่ตั้งใจทําแต่พอจะทําในใจมันก็บอกว่าอย่าทําเลยเอาไว้ทําครั้งหน้าก็ได้อีกใจก็บอกว่าทําเลยเดี๋ยวเพื่อตายไปไม่มีโอกาสได้ทํา เขาถามพระอาจารย์ค่ะว่าทําไมใจเหมือนมีคนพูดสองคนและเถียงกันตลอดครับก็มีทํากับกิเลสไงธรรก็คือใจอยากค่อนอยากจะเสะียสละอยากจะแบ่งปันช่วยเหลือผู้ส่วนกิเลสก็คือความตอนน่อหนีมันก็จะมาแย่งมันก็จะสู้กันคุณน้สามครับเวลาใส่บาตรแล้วจะไม่รอรับพรคิดคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ทราบว่าผิดไหมคะ ไม่ผิดหรอกตามเองใส่บาตแล้วตามธรรเนียมของพระท่านไม่ไม่ให้พรตอนที่ใส่บาตรเพราะมันไม่ไม่ัน ไ, ไม่เป็นเวลาที่สมควรแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องให้พรเพราะพรมันเกิดขึ้นแล้วคือผลที่เกิดจากการกระทำของเราเนั่นแหละคือพรนะคุณทิพย์ครับถ้าวันที่ต้องไปทํางานจะรักษาศินแปดแต่แต่งหน้านิดหน่อยได้ไหมครับเพราะต้องต้อนรับลูกค้าครับก็ือว่าสินแปดไม่ครบแล้วกันได้สินสินเจ็ด กว่ากว่านนอยคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณประชาครับนั่งสมาธิไปแล้วบางครั้งตัวตั้งตรงบางครั้งตัวงอปรับตามความสบายแบบนี้ต้องแก้ไขไหมครับไม่ต้องปรับเวลาเราทบสมาธิอยู่<ม>นั่นการจะองอหรือตรงไม่ไม่ต้องไปกังวลให้เราอยู่กับการภาวนาของเราไปถ้าเรามาคอยปรับที่ร่างกายเราก็จะเหมือนกับกลับมาเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆ จะไปไปม่ถึงหอาจารย์ครับขอโรกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f เ c e b o o k 737คนใน YouTube 703คนในกราบเอา11คนนะครับวันนี้มีคนฟังธรรมอยู่ด้วยกัน 1,451 คนครับอาจารย์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมเอาความสนใจในธรรมจะได้นำให้ท่านไปได้สัมผัสกับรถแหงธรรมต่อไป การแสดงทำสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนั่งรอสิ่ที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสดความเจริญก้าวหน้าในธรรมยี่ขึ้นไปเทอรสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไวเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเวลาขัดขอ้อก็คงจะได้พบกันอีกในในโอกาสหน้าในอาท้ตหน้าเช่นเคย ขอแสดขอบพระคุณพระทนครับ